ข้อความในมิลินทปัญหาปัญหาที่เจ็นะกุศลากุสละสมะวิสมะปัญหาในหน้าสามรพระเจ้ามิลินได้กราบทกลยนถามพระนาคเษนว่าพระคุณเจ้านาคเษนวิบากของผู้มีปกติธรรมกุศลก็ตามวิบากของผู้มีปกติธรรมอกุศลก็ตามย่อมเสมอเหมือนกัน หรือว่ามีความแตกต่างกันบ้างอย่างไรเล่าเนี่ยนะนะคือกุศลกับอกุศลเนี่ยทไมว่าบางคนทำอกุศลเป็นปกติบางคนทำกุศลเป็นปกติเนี่ยมันเหมือนกันหรือมันต่างกันอย่างไรนะที่จริงแล้วเป็นคำถามที่เขาเรียกว่ารู้อยู่แล้วว่าคำตอบมันต้องเป็นอะไรนนะนะแต่เป็นการอาจจะเอาคำตอบนั่นแหละเป็นคาถามต่อไปเรียกว่าเป็นการเปิด เปิดประตูให้เข้าช่องเหมือนกันเนถะถ้าพูดแบบภาษานี่ก็เปิดประตูให้แมวมันเข้าจะได้ตีแมวได้สะดวกสะดวกคล้ายๆแบบนั้นนะนะปัญหานี้ก็เหมือนกันครับว่าเปิดเปิดเปิดให้ให้ตอบง่ายๆและจะเอาคําถามยากๆเข้ามาตอบอันนี้ในทางธรรมนั้นถือว่าถ้าคนที่ตอบไม่มีความสามารถจริงๆเนี่ยตกมาตายนะ น, นะเพราะว่าตัวเองนั้นไปตอบไว้อวีกอย่าตอบไว้อย่างดีแล้วนะทีนี้ก็อาศัยคํา อาศัยเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมาตั้งเป็นคำถามตัวอีกครั้งว่าพระเจ้ามิลินถามว่าวิบากของผู้มีปกติทำกุศลหรืออกุศลเนี่ยวิบากสองอย่างนี้เสมอการไหมหรือว่ามันต่างกันพระนาคเษนก็ตอบว่าขอถวายพระพรมหาบาพิษกุศลและอกุศลมีความแตกต่างกันขอถวายพระพรกุศลมีวิบากเป็นสุข เป็นไปพร้อมเพื่อสวรรค์อากุศลมีวิบากเป็นทุกข์เป็นไปพร้อมเพื่อนรกนันะคือกุศลกับอากุศลนั้นไม่ได้มีผลมีวิบากเหมือนกันหรอกนะว่าถ้ากุศลสมาทานทําให้มากเจริญจนภัยบุล์และบริบูรณ์สุขติโลกสวรรค์อากุศลถ้าทํามากภัยบุ์บริบูรณ์ก็นําไปสู่นรกพผลวิบากผลของกุศลและอากุศลไม่เหมือนกันหรอก น, นะจะเข้าทางเลยคาตอบนี้เข้าทางพอดีเลยพระคุณเจ้าถ้าพวกท่านกล่าวกันว่านะพวกท่านนะพระเทวทัตเป็นผู้ที่จะเอาแต่จะดําด้านเดียวหมายว่าถ้าเขาจะทําทําแต่เรื่องดําๆเรื่องเรีวๆประกอบพร้อมด้วยทําดําด้านเดียวไม่เห็นว่ามันได้ประวัติธรรมพระเทวทัตทำกุศลเนี่ยพวกท่านไม่เคยพูดถึงเลยมีแต่เรีวเรวยงงรวๆอย่างนั้นเรีวอย่างนี้เรีวหนึ่งสสามสี่เป็นต้นน่ยนะ ส่วนพระโพธิสัตว์เป็นผู้เอาแต่ทําเอาแต่ทําเรื่องขาวๆทาแต่เรื่องดีๆอย่างเดียวประกอบด้วยทำขาวด้านเดียวไม่เคยเอาความเลวพระโพธิสัตว์มาพูดเลยมีแต่ดีอย่างเดียวความดีของท่านห น, นึ่งสองสามสี่ห้าคือคือสรุปว่าท่านเนี่ยพวกท่านเนี่ยตำหนิพระเทวทัตเหลือล้ายว่างั้นแล้วก็ชมพระโพธิสัตว์จริงๆว่างั้นแต่ก็ยังกล่าวไว้อีกว่านะคำว่าแต่ขึ้นมาเนี่ยแต่หักหลังแล้วเนี่ยแต่ว่า ทุกทุกชาติพระเทวทัตจะเป็นผู้มียศและพวกพ้องเสมอเหมือนกับพระโพธิสัตว์หรือบางพบบางชาติก็กลับมีพวกมีพ้องยิ่งกว่าพระโพธิสัตว์เสียอีกอ น, นะบางชาติเสมอกันบางชาติยิ่งกว่าเช่นเช่นในการที่พระเทวทัตได้เกิดเป็นบุตรของปุโรหิตของพระเจ้าพ ร, รมทัตนกรุงพาลณสีนนะเป็นลูกปุโรหิตเป็นคนชาติวรนพนระพรามชนะ ส่วนพระโพธิสัตว์ได้เกิดเป็นคนจันทานชั้นต่ำผู้ทรงวิชาซึ่งอาจร่ยวิชาธรรมผลมะม่วงให้เกิดนอกฤดูการได้ในชาตินี้เทียวพระโพธิสัตว์เป็นผู้มีชาติสตระกูลและยศเลวกว่าพระเทวทัตน์พระเทวทัศ์ดีกว่านะก็บอกว่าพระเทวทัตน์เนี่ยทำแต่เรื่องเร็เวๆทําแต่เรื่องดำทำแต่บาปเนี่ยชาตินี้เกิดเป็นลูกปุโรหิต คนะชาติก็สูงตระกูลก็สูงยศก็มากส่วนพระโพธิสัตว์นี่ทําได้ดี mm hmm. เกิดเป็นอะไร mm hmm. เกิดเป็นจันทันเอ๊ะมันเป็ น, นอย่างไงเนี่ยนะถ้าคําถามเหล่านี้เนี่ยนะถ้าถ้าจะกล่าวไปแล้วเนี่ยเป็นคําถามที่น่าคิดเนี่ยนะคือถ้าถ้าคนที่ศึกษาพระไตรปิฎกมากมากเนี่ยมองภาพอีกด้านหนึ่งก็จะเห็นเป็นลักษณะนี้จริงๆตํำหนิพระเทวทัตนี่ยตำหนิเลื อ, อร้ายตํำหนิเลือเกินเนี่ยนะแล้วบอกยกย่องพระโพธิสัตว์ยกจริงๆเลยสรรเสริญยกย่อง แต่ว่าเอ๊ะแต่เราแต่ละาพบแต่ละชาติเนี่ยฟังข่าวดูแล้วหลายเรื่องหลายราวชาตินี้เป็นปุโรห์ลูกปุโรหิตพระโพธิสัตว์เกิดเป็นคนจันทานชั้นต่ําเออมต่างกันยังไงเนี่ยนะคือฟังแล้วเนี่ยอีกอีกด้านหนึ่งบอกโอ้คนทําดีทําชัว่ววิบากไม่เหมือนกันหรอกเสร็จแล้วนี่คนทําดีอะไรทําไมมันตกต่ำกว่าคนทําชัว่วเป็นยังไงเนี่ยนะซึ่ง ถ้าหาว่าคนที่ไม่ศึกษาเรียนรู้มาแล้วก็เป็นการยกแบบมีหลักฐานมาอ้างด้วยนะที่มีความเห็นตรงกันข้ามนั้นถ้าไม่ใช่ผู้ทรงพระไตรัยปิฎกแล้วก็เข้าใจสภาวะธรรมอย่างลึกซึ้งไม่ใช่ทรงเฉยเนะเป็นคนที่เข้าใจเนื้อหาในพระไตรัยปิฎกอย่างทลุ ป, ปร่ปปรงเนี่ยนะเขาเรียกว่ามองได้ว่าตรงไหนจะเป็นปมเป็นข้อโต้ข้อแย้งก็เอาสิ่งนั้นมาตอบเหล่านั้นได้พรานพานาระนาคเสรนี่ท่านมีความสามารถมากและที่สําคัญก็พระเจ้ามิลินนี่ก็ถือว่าเก่งนะ เรียกว่าหาช่องจับผิดได้ซึ่งปกติในแค่อ่านก็มึนแล้วนะแต่เขาอ่านแล้วเขาเข้าใจแล้วเอามาเป็นเป็นช่องที่เรียกว่าเออเนี่ยถ้านจะมีปัญหาปัญหามันจะเกิดในแนวนี้การถามปัญหาของพระเจ้ามิลินนั้นอ่ะเป็นเหมือนกับเอ่อการช่วยจริงๆไม่ใช่เหมือนเป็นการช่วยป้องกันเนีนะเพราะว่ายากที่จะมีคนที่มีความรู้ความสามารถขนาดนี้มาคอยตอบให้เพราะนั้นอะไรที่แนวโน้มจะเป็นไปเพื่อความเสียหายต่อไปในอนาคต ท่านก็จะโยกมาเป็นประเด็นแล้วก็ตั้งมีการสอบถามมีการตอบอ น, นะเพื่อไม่อย่างนั้นเดี๋ยวพระไตรปิฎกเสียหายแนย่ถ้าไม่มีมิลินท้ปัญหาเป็นต้นเนี่ยพระไตรปิฎกจะได้รับการตาหนิไม่ใช่น้อยเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่าเข้าใจเนื้อความไม่ตลอดสายอันนี้เรื่องที่หนึ่งพระเทวทัตเป็นบุตรปุโรหิตพระโพธิสัตว์เป็นจันทานเรื่องที่สองอีกเรื่องหนึ่งนะ ในการที่พระเทวทัพได้เกิดเป็นพระเจ้ามหามหิบดีผู้พรั่งพร้อมด้วยสิ่งที่น่าใคร่ทุกอย่างพระโพธิสัตว์เป็นอะไรพระโพธิสัตว์ได้เกิดเป็นช้างและเป็นช้างที่พระเทวทัพนั้นทรงมีไว้ใช้สอยด้วยซึ่งเป็นช้างที่ถึงพร้อมด้วยลักษณะทุกอย่างพระราชาเมื่อทรงทนทอดพระเนตรการเยื่อแกรยไปที่งดงามของช้างนั้นไม่ได้ก็ปราลบจะฆ่าช้างจึงรับสั่งกับอาจารย์ช้างว่านี่แน่อาจารย์ เป็นช้างที่ท่านไม่ได้ฝึกสอนเอาไว้เนช้างตัวนี้เป็นช้างที่อาจารย์ไม่ฝึกสอนขอจงบอกเราถึงเหตุที่ทําให้ช้างตัวนั้นไปในอากาศได้เถิดดังนี้สรุปคือคือเนื้อหาเรื่องราวจะเป็นยังไงก็ช่างเถอะแต่ว่าโดยรวมแล้วพระเทวทัตเป็นพระราชาพระโพธิสัตว์เป็นเดรชาน์ถือว่าชาติเลวชาติตกต่ํากว่าพระเทวทัตมากมาย นะมันก็ฟังแล้วมันขัดแย้งกันในชะ่แบบว่าคนที่ทําดีก็ไปสวรรค์คนที่ทําชั่วก็ไปนรกฟังแล้วมันขัดกันนะพระเทวทัพเนี่ยชาติก่อนก็ชั่วช่วนี่ก็เป็นกาษัตริย์อีกแล้วพอโพธิสัตว์ก็ดีดีอา้าวตับนั้นตกต่ําไปถึงก็เป็นช้างอย่างเงี้ย น, นะยังมีอีกนะไม่ใช่เท่านี้ยังมีอีกว่าเช่นในการที่พระเทวทัพได้เกิดเป็นมนุษย์ผู้มุ่งแต่ความชิบหาอยู่ในป่าก็คือเป็นอะไรเป็นอ่าเป็นไอพรานเป็นเป็นคนที่นิสัยไม่ดีอะไรนะ ส่วนพระโพธิสัตว์สิพระเทวทัตก็นับว่าเลวแต่พระโพธิสัตว์เป็นถึงเป็นลิงเหมือนกันเป็นวานอนชื่อว่ามหาปถวีแม้ในชาตินี้ก็ปรากฏความแตกต่างกาันอีกคนหนึ่งเป็นมนุษย์อีกคนหนึ่งเป็นเดรัจฉานพระโพธิสัตว์จะดีกว่าพระเทวทัตต ร, ตรงไหนเหมือนนนะยังงงอยู่นะหมายความว่าบุญเนี่ยมันให้ผลเป็นสุขเอ๊ะแปลกใจว่าถ้าบุญให้ผลเป็นสุขทําไมเกิดเป็นลิงได้อ่ะนะพระเทวทัตทำแต่เลวโหเป็นถึงมนุษย์อย่างเงี้ยนะ ในช่เท่านี้ยังมีอีกในการที่พระเทวทัตได้เกิดเป็นมนุษย์ชื่อว่าโสนุตระในฉัตรันตะชาดกเลยนะเป็นนายพรานผู้มีกําลังแล้วก็กําลังพระเทวทัตเนี่ยกำลังเหมือนช้างส่วนพระโพธิสัตว์ก็เกิดเป็นพระยาช้างชื่อว่าฉัตรทันในคราวนั้นนายพรานก็ได้ฆ่าพระยาช้างนั้นในชาตินั้นนะพระเทวทัตก็ถือว่าเหนือกว่าพระโพธิสัตว์เพราะเป็นคนพระโพธิสัตว์ถึงจะยังไงก็เป็นเดรฉานเป็นช้าง ไม่ใช่เท่านี้ยังมีอีกในการที่พระเทว ท, ทัตเนี่ยนะเกิดเป็นมนุษย์นักเที่ยวป่าไม่มีบ้านอยู่อาศัยพระโพธิสัตว์ได้เกิดเป็นนกกรทาผู้เคร่งมนเก่งยังไงถึงก็เป็นนกเลยอย่างนัน้นในคราวนั้นเนี่ยนะพระเทว ท, ทัตเป็นนักเที่ยวป่านั้นก็ได้ฆ่านกกรทาตัวนั้นเสียเพระาะฉะนั้นสรวงบุญชาตินั้นพระเทว ท, ทัตก็เหนือกว่าพระโพธิสัตว์เป็นนกกรทาเนี่ยนะยังมีอีกนะในการที่พระเทว ท, ทัตได้เป็นพระเจ้าพารานาสีชั่วกาลาภุ เป็นพระราชาที่ปกครองเมืองพระณศีพระโพธิสัตว์เกิดเป็นขันติวาธีดาบทในครั้งนั้นพระราชาพราะองค์นั้นก็กริ้วโกรธ ด, ดาบทผู้นั้นรับสั่งให้พนักงานตัดมือและเท้าเสียเหมือนอย่างกับตัดต้นตัดข้อไม้ไผ่แม้ในชาตินั้นพระเทวทัตก็โดยชาติก็สูงกว่ายศก็มากกว่าเพราะมีอำนาจสั่งฆ่าหรือสีได้มีอำนาจสั่งโบยสั่งเคี่ยนสั่งตีสั่งตัดหูตัดจมูกสั่งตัดแขนตัดขาเอา ย่อเอออเรียกว่าเอาส้นเท้ากระทุ้งอกได้อ่ะก็ถามว่าใครยิ่งกว่าถ้าเทียบกันแล้วมันจะว่าพระเทวทัตไม่ดีได้ยังไงอย่างนั้นไหมขออภัยจะว่าคนทําเลวอย่างเดียวเนี่ยตกต่ําอย่างเดียวได้ยังไงจะว่าคนทําดีอย่างเดียวเนี่ยจะเกิดดีดีกว่าได้อย่างไรงก็คือปมของปัญหาเขาตั้งเอาไว้อย่างนั้นแต่ว่าคนที่ฉลาดก็ต้องหาอะไรมาสนับสนุนให้มากที่สุดเนี่ยนะให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยตอบไม่ได้ไม่ใช่นะยังมีอีก เช่นพระเทวทัตได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นนายพรานป่าพระโพธิสัตว์ก็เกิดเป็นพยาวานนเป็นลิงชื่อว่านันทิยะในคราวนั้นพรานป่าผู้นั้นก็ได้ฆ่าพยาวานนทฆ่าลิงพร้อมทั้งมารดาน้นองชายและพี่ชายก็ฆ่าตระกูลลิงทั้งตระกูลในชาตินั้นพระเทวตาก็พระเทวทั ต, ก, ททตก็เนื้อกว่าอีกนะพระโพธิสัตว์เนี่ยถูกฆ่าทั้งตระกูลเป็นลิงด้วยอีกเรื่องหนึ่ง พระเทวทัตก็ยังเป็นมนุษย์เป็นชีเปลือยชื่อวการามพิยะพระโพธิสัตว์ก็เกิดเป็นงูเป็นพญานาคชื่อว่าปันรกะชาตินั้นพระเทวทัตก็เหนือกว่าเพราะเป็นมนุษย์นาคหรืองูจะเป็นเหนือกว่ามนุษย์ได้อย่างไงเนี่ยนะและอีกเรื่องหนึ่งนะพระเทวทัตก็เกิดเป็นมนุษย์เป็นรื้อสีเป็นฉดินอยู่ในป่าพระโพธิสัตว์ก็เกิดเป็นสุกรเป็นหมูใหญ่ชื่อว่าตัดชกะ ในชาตินั้นพระเทวทัตก็เป็นนักบวชเป็นฤๅษีพระโพธิสัตว์ดูสีเป็นหมูสุกรใหญ่เนี่ยจะเนื้อกันได้ยังไงในชาตินี้พระเทวทัตก็เนือกว่าอีกยังมีอีกในการที่พระเทวทัตได้เกิดเป็นพระราชานามว่าสุระปริจระเป็นผู้ไปในอากาศกลางหาวได้สูงชั่วหนึ่งชั่วคนเหาะได้นะเป็นพระราชาที่เดินบนอากาศได้3ามเมตรเดินสูงบนอากาศ3ามเมตร พระโพธิสัตว์เกิดเป็นพราหมณ์ชื่อว่ากปิละดูสิตราชาก็เหนือกว่าพราหมณ์ยังมีอีกเรื่องหนึ่งการที่พระเทวทัตได้เกิดเป็นมนุษย์ชื่อว่าสามะพระโพธิสัตว์ก็เกิดเป็นพยานเนื้อชื่อว่ารุรุเนี่ยนะเกิดเป็นเนื้ออีกคนหนึ่งเปิดเป็นมนุษย์พันชาตินี้พระเทวทัตก็เหนือกว่าอีกยังมีอีกพระเทวทัตได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นพรานป่าพระโพ ธ, ธิสัตว์ก็เกิดเป็นช้าง นายพรานผู้นั้นก็ตัดเอางาของช้างนั้นไปถึงเจ็ดครั้งตอนแรกก็ค่อยๆตัดแค่ก็ตัดเอาไปขายไหมพอขายหมดก็มาค่อยๆตัดตัดตัดจนถึงก็ขุดโคนรากเลยนะขุดโคลนรากไปอันชาตินั้นพระโพธิสัตว์ก็เป็นช้างอ่ะเป็นเดรัจฉานพระเทวทัตก็จัดว่าเหนือกวา่ายังมีอีกเรื่องหนึ่งการที่พระเทวทัตได้เกิดเป็นสุนัขจิ้งจอกผู้มีขัตติยธรรมนะสุนัขสุนัขมี ขติยะขติยะก็คือกษัตริย์นะนะธรรมะของกษัตริย์พระองค์ก็ทรงกระทําพระราชาประจําประเทศทั้งหลายเท่าที่มีอยู่ในชมพูทวีปทุกพระองค์ให้ตกอยู่ในพร ะ, พ ร, ะราชาอํานาจได้ไม่ใช่สุนัขธรรมดานะสุนัขที่ปกครองกษัตริย์ทั่วทั้งชมพูทวีป พ, พระโพธิสัตว์ได้เกิดเป็นบัณฑิตชื่อว่าวิทุระในชาตินั้นพระเทวทัตก็จัดว่ามียศมากกว่าเป็นสุนัขนะพระราชาทั้งชมพูทวีปเป็นบริวาร น, นะมันเนื้อขนาดไหน อีกเรื่องหนึ่งพระเทวทัตได้เกิดเป็นช้างฆ่าลูกนกมูลไถาตายพระโพธิสัตว์ก็เกิดเป็นช้างจ่าฟูงในชาตินั้นบุคคลทั้งสองนั้นก็เออเสมอกันแต่ว่าที่ผ่านมานี่มีแต่ เ, เนือกว่านะ น, นี่นีน่เพิ่งเสมอเหมนกันอีกชาติหนึ่งพระเทวทัตเกิดเป็นยักษ์ชื่อว่าอธรรมพระโพธิสัตว์ก็เกิดเป็นยักษ์ชื่อว่าสุธรรมชาตินั้นก็เสมอกันเป็นคำว่ายักษ์ในที่นีเน้เป็นเทวดาเนี่ยนะเป็นเทวดาเหมือนกัน ยังมีอีกเรื่องหนึ่งครั้งที่พระเทวทัตได้เกิดเป็นนายเรือผู้เป็นใหญ่แห่งตระกูล500พระโพธิสัตว์ก็ได้เกิดเป็นนายเรือผู้เป็นใหญ่แห่งตระกูลห0าร้นี่ก็เสมอกันอีกเรื่องหนึ่งพระเทวทัตได้เกิดเป็นนายกองเกวียนผู้เป็นใหญ่กว่ากองเกวียน500ยเล่มพระโพธิสัตว์ก็เกิดเป็นนายกองเกวียนผู้เป็นใหญ่แห่งกองเกวียน500เล่มในชาตินั้นสองคนก็เสมอกันอีกชาติหนึ่งพระโพธิสัตว์เกิดเป็นพยานเนื้อ heißt, ชื่อว่าสาขะ พระโพ ธ, ธิสัตว์ก็เป็นพยานเนื้อชื่อว่านิโครดเนี่ยนะนิโครธะเนี่ยก็เสมอกันอีกอีกเรื่องหนึ่งพระเทวทัตก็ได้เกิดเป็นพรามณ์ชื่อว่าคันฑะหาละพระโพ ธ, ธิสัตว์ก็เกิดเป็นพระราชกุมารพระนามว่าจันทะเนี่ยในครั้งนั้นเนี่ยคันฑะหาละพราหมณ์นั้นก็เนี่ยจัดว่าเป็นผู้ที่ยิ่งกว่าจันทกุมารชาดกนะเพราะว่าคันฑะหาละเนี่ ย, ยมีอํานาจถึงกับว่าแกล้งพระโพ ธ, ธิสัตว์โดยประการาต่างๆได้อะ ยังมีอีกเรื่องหนึ่งการที่พระเทวทัพได้เกิดเป็นพระราชาพระนามว่าพรหมทัตพระโพธิสัตว์ก็เกิดเป็นพระโอรสของพระราชาพระองค์นั้นทรงพระนามว่ามหาปทุมกุมารในการนั้นพระราชาพระองค์นั้นเนี่ยนะซึ่งเป็นพระบิดาก็ได้ทิ้งพระโอรสของพระองค์เองให้ตกไปในหุบเหวทิ้งโจรผู้เป็นบิดานั่นเทียวจัดว่าเป็นผู้ที่ยิ่งกว่าวิเศษกว่าบุตรโดยฐานะใดฐานะหนึ่งพ่อก็ต้องดีกว่าลูกอยู่แล้วว่างั้น ไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นพระเทวทัตจัดว่าเหนือกว่ายังมีอีกเรื่องหนึ่งครั้งที่พระเทวทัตได้เกิดเป็นพระราชาพระนามว่ามหาปตาปะพระโพธิสัตว์ก็เกิดเป็นพระโอรสของพระราชาพระองค์นั้นทรงพระนามว่าธรรมปาลกุมารในการนั้นพระราชารับสั่งให้นายเพชฌฆาตตัดพระหัตตัดพระบาทและตัดพระเศียรของพระโอรสของพระองค์เองในครั้งนั้นน่ะพระเทวทัตนั่นแหละจัดว่าเป็นผู้ที่สูงกว่ายิ่งกว่า ยิ่งกว่ายิ่งกว่าพระโพธิสัตว์ในมาในชาติปัจจุบันแสดงว่ามีการลำดับเรื่องมาเป็นอย่างดีเลยนะใครโครนคิดมาเป็นอย่างดีเรียกว่าทำการบ้านมาดีมากรากว่าในชาติปัจจุบันทุกวันนี้บุคคลทั้งสองต่างก็ได้เกิดในสักยศสกุลพระโพอ่เป็นลูกพี่ลูกน้องกันด้วยนะพระเจ้ามหาสุปปพุทธเนี่นะเป็น เป็นพี่ชายของพระนางมหามายาเป็นพี่ชายของพระนางโคตมีพระเจ้ามหาสุปปะพุท ธ, ธนั้นเป็นพ่อของพระเทวทัตนี่นะเป็นพระราชบิดาของพระเทวทัตถ้าตามศักดิ์นี่พระเทวทัตเป็นลูกลุงเป็นลูกลุงของพระโพธิสัตว์มันถ้าสรุปโดยชาติตระกูลก็เสมอกันแล้วก็เป็นลูกผู้พี่ด้วยถือว่าเป็นพี่ด้วย อ, นนอายุมากกว่าพระโพธิสัตว์ มรนในชาติสุดท้ายเนี่ยนะชาติปัจจุบันนี้ทั้งสองก็เกิดในศากยาตระกูลแต่ตอนสุดท้าย <c oughs> พระโพธิสัตว์ได้สําเร็จเป็นพระสัพพัญญูพุทธเจ้าผู้นําสัตว์ออกจากโลกพระเทวทัตได้บวชในศาสนาของพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นเทพยิ่งกว่าเหล่าเทพแล้วก็ทำริษให้บังเกิดได้ทำได้ทําตน โดดเป็นพระพุทธเจ้านั่นแหะชาติสุดท้ายเขาก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะพระคุณเจ้านาเกษตคําคที่ข้าพเจ้ากล่าวทั้งหมดมาเนี่ยจริงหรือว่าไม่จริงแต่ว่ามีความสามารถที่จะทำตัวลิเทียมพระพุทธเจ้าได้ก็ถือว่าคนไม่ธรรมดานะือว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่มากธนากเกษตก็ตอบว่าขอถวายพระพรมหาบาพิษเหตุการณ์ที่พระองค์ตรัต ม, มามากมายหลายเรื่อง ล้วนจริงทุกเรื่องเที่ยวไม่ใช่เรื่องไม่จริงเ อ, อยอมรับว่าใช่นะที่พูดมาถูกต้องพระเจ้ามิรินก็ถามว่าพระคุณเจ้านากเกษรถ้าหากว่าทั้งคนที่เอาแต่ดำหมายก็ว่าทาแต่ชั่วทั้งที่เป็นคนเอาแต่ขาวล้วนแต่คนทำแต่ดีเนี่ยนะล้วนเป็นผู้มีคติเสมอกันเหมือนกันใสท่าอย่างนั้นนะทั้งกุศลอ ก, กุศลก็ย่อม ก็ล้วนแต่เป็นธรรมะที่มีวิบากเหมือนกันเสมอกันไม่เห็นต่างอะไรกันเน่ยอีกคนทำแต่ดีแต่ก็เห็นตกต่ำเรื่อยเนี่ยนะอีกคนหนึ่งบอกทําแต่ชั่วทําแต่เลวก็เห็นได้ดิบได้ดีเนื้อกว่าคนทําดีตั้งมากมายมันเป็นยังไงกันแนะ่เพราะฉะนั้นมันไม่ต่างกันหรอกคือคือทฤษฎีเขามีว่าไม่ต่างกันทําดีทําชั่วก็ไม่เห็นว่ามันแตกต่างกันตรงไหนก็เห็นได้ดิบได้ดีกันหมดนี่มันไม่เห็นว่ามันต่างกันตรงไหนเลย พนาเกษณก็ตอบว่าขอถวายพระพรพระเทวทัตจะเป็นผู้ประพฤติผิดต่อชนทั้งหลายทุกคนไปก็หาไม่ไม่ใช่เลวบริสุทธิ์ขนาดนั้นหรอกมืันนะพระโพธิสัตว์ก็เป็นผู้ประพฤติผิดได้เหมือนกันพระโพธิสัตว์หลายครั้งก็ทําช่วเหมือนกันนั่นแหละบุคคลใดเป็นผู้ประพฤติผิดต่อพระโพธิสัตว์ผู้นั้นก็จะหมกไม่อยู่ในภพนั้นนั้นทีเดียว บาปจะให้ผลแต่ก็จริงอะนะว่าหลายชาติพ้ะเทวทัตจะเหนือกว่าก็จริงโดยยศโดยตำแหน่งโดยความเป็นใหญ่เลยละอย่างแต่พระเทวทัตก็ทำบาปไม่ใช่น้อยไปเบียดเบียนพระโพธิสัตว์ตกนรกทุกชาติเลยโดยมากพระเทวทัตตกนรกทุกชาติ